พูดด้วยภาษาทางวิชาการอย่างนี้อาจเข้าใจยากสักหน่อยโดยเฉพาะความรู้ทางมโนทวารบางอย่างบางคนอาจแยกไม่ออกจากความรู้ทางปัญจทวารถ้าสามารถแยกได้ก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นขอยยกตัวอย่างเช่นเมื่อได้ยินคนพูดความรู้ทางปัญจทวารในที่นี้ได้แก่โสตทวารคือหูเป็นเพียงความรู้เสียงคือได้ยินเสียงเท่านั้น หาใช่รู้คําพูดไหมส่วนการรู้คําพูดคือความหมายของถ้อยคํานั้นๆว่าเขาพูดอะไรพูดอะไรเป็นความรู้ที่เกิดในมโนทวารหรือเมื่อมองดูหลังคาความรู้ทางปัจจทวารในที่นี้ได้แ ก, จ ก, ก่จักรุทวารคือตาเป็นเพียงความรู้รูปหรือรู้สีเท่านั้นหาใช่รู้หลังคาไม่การรู้ภาวะที่คลุมที่มุงที่ปกป้อง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 อาจแยกประเภทความรู้ทางมโนทวารได้อีกแนวหนึ่งดังนี้ความรู้ทางมโนทวารประเภทที่หนึ่งอารมณ์เฉพาะของใจเช่นความรักความโกรธความกุ่นมัวผ่องใสดีใจเสียใจซึมเศาเงาหงอยว้าเวเบิกบานกล้าหาญหวั่นกลัวเป็นต้น ความรู้ทางมโนทวารประเภทที่สองอารมณ์อดีตซึ่งได้รับรู้ไว้ด้วยอาญตนะห้าอย่างแรกเรียกง่ายๆว่าอารมณ์อดีตของปัญจทวารความรู้ทางมโนทวารประเภทที่สาอารมณ์ที่เนื่องอยู่กับรูปธรรมที่เป็นอารมณ์ของปัญจทวานั้นเองแต่วิญญาณทางปัญจทวานั้นไม่รู้ได้แก่บัญญัติ และความสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับรูปธรรมทั้งหลายเช่นหน้าที่ความสืบเนื่องความคลี่คลายขยายตัวความเป็นองค์ประกอบกันของรูปธรรมต่างๆเป็นตน้นความรู้ทางมโนทวารประเภทที่4การปรุงแต่งอารมณ์อดีตที่รับเข้ามาทางปัญจทวารพร้อมทั้งอารมณ์เฉพาะของใจและความรู้เกี่ยวกับบัญญัติและความสัมพันธรร์ต่างๆขึ้นเป็นความตรึตรกคิดหาเหตุผล และจินตนาการต่างๆตลอดจนการวินิจฉัยสั่งการความรู้ทางมโนทวารประเภทที่5ความอย่างรู้หรือปรีชาพิเศษต่างๆที่ผุดโพลงขึ้นในใจสว่างชัดทั่วตลอดเช่นมองเห็นอาการที่สัมพันธ์กันของบางสิ่งแล้วเกิดความเข้าใจแจม่มแจ้งมองเห็นกฎแห่งความสัมพันธ์นั้นได้แก่ความรู้ที่เรียกว่ายานชยเช่นอภินญาเป็นต้น ความรู้ทางมโนทวารประเภทที่6อสังคตธรรมคือนิพานถ้าจับอตรงแค่ผัสสะโดยถือว่าเป็นจุดที่ความรู้เริ่มต้นอย่างแท้จริงก็แยกประเภทความรู้เป็นสองคือความรู้ที่ได้ด้วยผัสสะทางปัญจทวารและความรู้ที่ได้ด้วยมโนสัมผัสหรือด้วยผัสสะทางมโนทวารซึ่งก็ได้ความเท่ากับที่จำแนกโดยทวารอย่างที่กล่าวมาแล้ว อีกอย่างหนึ่งตามความนิยมในคมภีทั้งหลายท่านจัดความรู้ตามทางรับรู้เป็นสี่ประเภทคือทิฏฐะสุตะมุตะและวิญญาตะ 1. ทิฏฐะแปลว่าสิ่งที่เห็นได้แก่รูปอารมณ์ทั้งหลายหรือความรู้ที่ได้โดยการเห็นการดู 2. ส, สุตตะแปลว่าสิ่งที่ได้ยินได้แก่เสียง และความรู้ที่ได้โดยการสะดับทั้งหลาย3ามุตตะแปลว่าสิ่งที่ศสสพบได้แก่กลิ่นรสและโภตาภะหรือสิ่งที่รับรู้ทางจมูกลิ้นและกาย4วิญญาตะแปลว่าสิ่งที่แจ้งใจได้แก่ธรรมารมกล่าวคือสิ่งทั้งหลายที่รู้ด้วยใจ3อย่างแรก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 ต้องมาถูกต้องที่อาญตนะจึงรู้ได้ต่างจากตาหูซึ่งรับอารมณ์ที่ไม่มาแต่ต้องถึงอาญตนะคือรูปอาศัยแสงเสียงอาศัยคลื่นเป็นสื่อเชื่อมต่อในคำพีอภิธรรมมัตสังขะอธิบายว่าจักกุและโสตเป็นอปะตะวิสยักไกะเกือรับอารมณ์ที่ไม่มาถึงเรียกสันส้นๆว่าอปะตะายกะ คานะชิวหาและกายเป็นสัมปะตตวิสยักไคกะคือรับอารมณ์ที่มาถึงเรียกสันส้นๆว่าสัมปะตต์ไคกะว่าโดยความหมายอย่างเคร่งครัดความรู้ทางปัญจทวารมีขอบเขตจำกัดแคบมากดังกล่าวแล้วข้างต้นแต่ตามที่ใช้ทั่วไปท่านมุ่งเอาความหมายกว้างๆหลวมๆกล่าวคือทิฏฐะหมายถึงสิ่งที่เห็น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 แม่มุตะก็พึงทราบทำานองเดียวกันนี้หากจะใช้คำศัพท์ความรู้ทางปัญจทวารคือทิฏฐสุตะและมุตะนี้กินความหมายกว้างออกมาได้เพียงแค่ปัญจทวาริกะสัญญาคือสัญญาที่เป็นไปทางปัญจทวาร น, นอกจากนั้นไปก็เป็นวิญญาตะคือความรู้ที่อาศัยมโนทวาร